เทศนาแผ่นที่78ลําดรับที่9โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดขุดรธานีแสดงธรรมในวันที่16มิถุนายน2558มีชื่อเรื่องว่าเกิดมาใช้หนี้ คณะทา ญ, ญาทโยมลูกหลานนะอยู่ในความสงบมีอะไรหลวงพ่อจะปรบเรื่องงานให้ฟังสักหน่อยนะมีงานทั้งทีครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ปรบเรื่องอะไรให้ฟังเหมือนกับงานมันผ่านไปผ่านไปเหมือนกับ ง, งานหมอร้องหมอรามธรรมดาหลวงพ่อจะมีอะไรจะพูดให้ลูกให้หลานคณะทา ญ, ญาิโยมได้ฟังได้ศึกษานะ พอมาอยู่ในสถานที่ศึกษาคือโรงเรียนวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งเป็นงานฉลองครบรอบ40ปีโสงพิษวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2558โรงเรียนน้ำโสงพิทยาคมอำเภ อ, อน้ำโสงจังหวัดรอนธานีเมื่อเช้าหลวงพ่อปินทาบาทเห็นคระเห็นคณะครูบาอาจารย์ แล้วก็เห็นคณะนักเรียนมากจริงๆบินเทาบาทไปลวกกี่โคตถนนแต่หลวงพ่อก็ได้ถามว่านักเรียนมีมากเท่าไหร่นักเรียนมีพั0แรกว่าคนแล้วก็มีครูบาอาจารย์ประมาณร้ร้อยสามคนทั้งนักการด้วย และกระรวมทั้งพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้ามาวันนี้หลวงพ่อว่าไม่ต่ากว่าสองพันเกือบจะสองพัน้าร้ก็ว่าเป็นครบ2อ0พเหลิงรู้สึกว่าพี่น้องประชาชน เ, เยอะครูบาอาจารย์นักเรียนเยอะอแต่หลวงพ่อเองมาเห็นพี่น้องลูกหลานคณะศรัทธาญาติโยมในการศึกษาหรือว่าการ แพทย์และการศึกษาหลวงพ่อเองในฐานะพระสงฆ์จี่อยู่ในป่าโรงพงัยเมื่อวานวันก่อนวันที่14ี่หลวงพ่อก็ไปทอดผ้าป่าสามัคคีที่โรงพยาบาลศรีนครินจังหวัดขอนแก่นเพราะหลวงพ่อเป็นประธานของมูลนิธิของอภิบาลสงหลวงกูมั่นเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ไปทอดแต่ก็รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก เพราะว่าทําไมจึงว่าให้ความสนใจขอทอดผ้าป่าวันที่14ที่ตึกสง่าพาได้เงิน6ล้าน5แสนกว่าบาทนะครในสัปดาหญาติโยมพระนริรงค์พ่อถือว่าปลีนปี่น้องประชาชนให้ความสนใจถ้าหากความไม่ได้ความสนใจคงจะไม่ได้เงิน6ล้านนะแต่ี้ได้เงิน6ล้านกว่าจากนั้นหลวงพ่อก็ได้ขึ้นไปกราบคารวะหลวงพ่อคูณปริจุโถในตึก ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์นนะอันนี้ก็คือเล่าเท่าถ้าความให้คณะทัดไทยญาติโยมทั้งหลายได้ฟังเพราะว่าพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าเราจะให้การสนับสนุนชวนใดส่วนหนึ่งเพราะพี่น้องประชาชนพวกหมู่เหล่าได้ถวายจตุปัจจัยพร ะ, พะสงฆ์พระสงฆ์ก็ได้มาช่วยโรงเรียนบ้างโรงพยาบาลบ้างอย่างที่โรงเรียนน้ําสมเมื่อปีก่อนก็ซื้อรถโรงเรียน ต็ยังเสียลังขาดเจตุปัจจัยก็ได้เข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ให้การสนับสนุนตั้งแต่รถโรงเรียนมานะรถโรงเรียนด้วยรถของโรงเรียนด้วยและก็อาคารที่เด็กนักเรียนรับทานอาหารกลางวันครูบาอาจารย์ทั้งขอออกก็เข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็เห็นว่าจําเป็นสําคัญเวลาลูกหลานลงมาพักเที่ยงแล้วก็ทานอาหารเวลาฝนตกนะ จะละําบากในการที่จะนั่งที่ไหนหลวงพ่อก็เห็นว่าจําเป็นและสําคัญหลวงพ่อก็ได้ถามว่าโรงเรียนมีเงินเท่าไหร่มีเงิน1ล้านขาดเท่าไหร่ขาด 0,000 ส, สนหลวงพ่อก็เป็นร่วมสมเ้าเข้ามา 30,000 นให้สร้างที่โงรงเลี้ยงอาหารเด็กนะก็เป็นที่ได้ใช้เรียบร้อยหลวงพ่อได้ยินแล้วก็ พอใจแต่เมื่อไม่นานมานี้ทางอําเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารก็เข้ามาหาหลวงพ่ออีกนะอยากจะได้อะ อ, อย่างนี้หล่ะที่อาคารสําหรับเลี้ยงเด็กนักเรียนโรงอาหารเนะี่ยหลวงพ่อก็ถามว่าเท่าไหร่เขาว่าประมาณสัก เ, เกือบ4ี่ล้านแตงอย่างขาดเงินอยู่ประมาณล้านหหลวงพ่อก็รับเื อ, อเอาล้านห้าเดี๋ยวหลวงพ่อจะหาให้คือลงมือเลยล่ะนะ อันนี้หลวงพ่อกับรับปากนะอันนี้เธอคือการช่วยเหลือชุมชนสังคมโรงเรียนเมื่อวานนี้ก็โรงเรียนปากปุดเสื่อมเชียงดีะเข้ามาขอข อ, ขอปัจจัยขอความสนับสนุนจากหลวงพ่อเพราะโรงเรียนเป็นหลุมเป็นบอ่อกลัวเด็กนักเรียนจะตกในคลองหลวงพ่อจะใช้เงินเท่าไหร่ประวันหนึ0 0แสนหนึ่งแสนเพราะจผมดินเท่านั้น แล้วก็โรงเรียนมีเงินเท่าไรโรงเงินเรียนมีเงินอยู่สี่หมื่นหลวงพ่อคือเอาแต่อย่างนั้นหลวงพ่อให้หกหมื่นนี่เมื่อมารับเมื่อวานนี้อันนี้ก็คือการให้การสนับสนุนโรงเรีย น, ยนการศึกษาตลอดถึงโรงพยาบาลก็เหมือนกันเครื่องมือแพทย์หลวงพ่อก็ไม่ได้มองข้ามเพราะฉะนั้นวัดวาศาสนากับพี่น้องประชาชนที่พี่น้องประชาชนลําบากอย่างไรพุทธศาสนา อย่างพวกเราที่อย่างหลวงพ่อเนี่ยก็ให้การสนับสนุนในการเป็นอยู่เพราะว่าจตุปัจจัยหลวงพ่อเองก็ได้การได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนจึงเป็นวัดว า, าศาสนาขึ้นมาในเมื่อเป็นวัดว า, าศาสนาขึ้นมาจตุปัจจัยที่ผ่านเข้ามาสู่วัดว า, าศาสนาหลวงพ่อรือพระสงฆ์ก็จะต้องมองชุมชนอีกเหมือนกันนะ สมชุมชนอยู่ได้ศาสนาอยู่ได้พระพุทธศาสนาอยู่ได้พี่น้องประชาชนต้องอยู่ได้เพื่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนี่แหละความเป็นมาของพระพุทธศาสนากับพี่น้องประชาชนแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะหลวงพ่อเองอยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าต้องมีคุณภาพต้องมีคุณธรรมต้องมีจริยธรรมต้องมีจริยธรรมที่ดีการอยู่ด้วยกันจึงจะร่มเย็นเป็นสุขนะ อย่างที่หลวงพ่อไปที่โรงพยาบาลศรีนครินเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อกับพูดเกี่ยวกับเรื่องอชาตกหรือว่าเรื่องแนวความคิดให้กับพี่น้องประชาชน เ, เรื่องหลข้พ่อเล่าสองเรื่องนะ เ, เรื่องหนึ่งกับเรื่องคื อ, เ, อเรื่องแม่ย่ากับแม่ย่ากับลูกสะภ้าย เ, เรื่องหนึ่งก็คือสองสหาย เ, เป็นเพื่อนกัน แต่เบี้ยวหนี้กันฮะแต่หลวงพ่อเอกยากจะมาพูดให้กับโรงเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่แหละเพราะทุกวันนี้หลวงพ่อมองมองเห็นแล้วเออเห็นการยืมเงินกันเป็นธรรมดาไม่ชอบใช้หนี้กันเวลายืมก็อยากจะได้อ่อนน้อมถอมตนพอได้เงินไปแล้วก็แข็งกระด้างเพอเพอจะมาฆ่าเจ้าหนี้อีกต่างหากนี่เนี่ยโดยมากลูกหลานทุกวันนี้ศรัทธาญาติโยมทุกวันนี้ ชอบเป็นอย่างนี้เป็นส่วนมากเออไม่ได้กลัวหนี้กลัวแต่นิ้วยอย่างเดียวเลยถ้าปวดท้องนิ้วหรอกลัวมันปวดใช่ไหมแต่นี่เนี่ยไม่ไม่กลัวมีเท่าไหร่ ย, ยืมหมดแต่เออนี่แหละเออทุกวันนี้ไม่กลัวหนี้กลัวแต่นิว้วไงเออเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้พูดที่โรงพยาบาลหลวงพ่อบอกว่ามีสองสาหายนะเอออันนี้เป็นนิทานของหลวงปู่เสวงหลวงปู่เสวงนะ่ยเป็นเพื่อน เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ฟักเขาน้อยสามขานนะฟังเอาน่ลูกหลานนะในคณะสัทธาญาติโยมนะคือลุงแหวงนายแหวงกับนายงอนเนี่ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนลุงแหวงกับลุงงอนเเป็นเพื่อนกันมาก่อนต่อมาลุงแหวงเนี่ยเออทำมาค้าขายเป็นเพื่อนกันนายแหวงเ่ลุงลุงลุงสวัยเนี่ยสวัยเนี่ยรวย เอมีฐานะขึ้นมาตามลบดับแต่ลุงงอนเนี่ยทามาค้าขายไม่ขึ้นร่มจมจิบหายลงไปเรื่อยๆก็มีโูกหลายคนด้วยกันฮะต่อมาในงอนนี่ก็เลยบอกโอ้ไอ้ไหว้กูขอยืมยืมกันเหมือนโดยเถอกูไม่ไหวแล้วแต่มึงจะเอาเท่าไหร่อกูจะเอาทักขอยืมสักสิบสองบาทสมัยนั้นนะ ขอยืมสัก12บาทเอาเถอะแต่กูเนี่ยไงกูก็ไม่เบี่ยวมึงแน่แน่และเพรามึงก็เป็นเพื่อนกูกูกองมึงก็รู้จักกูมาตั้งแต่อจะเป็นหนุ่มจนถึงปานนี่ละ่ะกูจะมาเบี้ยวมึงได้ยังไง เ, เงิน12บาทงบาไม่ใช่ของน้อยนะเว้ยนี่มึงจะมายืมกูอย่างนี้มึงจะยังไงเอาเถอะนะกูไม่เบี้ยวมึงแน่แน่หรอกกูจะใช้ให้แน่แน่เนี่ยยืนยัยนยถึงหลายครั้งลุงสวยเนี่ยเกือบเอา ถ้ามึงจะยืมกับมึงเป็นเพื่อนกูนะมึงจะเบี้ยวนะเออก็เลยให้ยืมสิบสอบาทพขายืมสิบสอบาทนายงอนก็เอาไปทํามาค้าขายล่มจมจิบหายอีกทีนึงพ่อล่มจมจิบหายทีนี้นายงอนก็หลบหน้าเอลุงไหวเละลุงหลบหน้าเพื่อนว่ะเนี่ยเอ้ยหลบเพื่อนหลบไปหลบมาหลบมาหลบไปลุงนายสวัยเนี่ยก็พยายามเอ้ยไอ้งอนหนึ่งท่าจะไม่ดีแล้วว่ะมันหลบเราแล้วว่ะ อันนี้แหละอันนี้ก็คือส่วนเด่นนะเจจากนั้นนายลุงสวั ย, ยก็พยายามไปหาตา ง, งอ น, นจนวันหนึ่งไปเจอในงานเข้านะไปเจอในงานลุงไหวนายไหวก็จับแขนนายงอนมาเ อ, อนเอ่งงอนเออแต่ก่อนมึงทําไมไม่เป็นอย่างนี้วะแต่ก่อนมึงเข้ามามึงสู้หน้ากูแต่บัด น, นี้มึงทาท่าหลบมึงจะท่าหลบหลบนี่กูเหลอเนี่ยมึงจะหลบนี่เอ้ยไม่ลบไม่ลบ ถ้ามึงไม่หลบนะถ้าพวกมึงนะไม่ใช้หนี้กูนะถ้ามึงตายไปไปตายเป็นเอมึงถ้ามึงตายแล้วมึงก็ต้องมาใช้หนี้กูนะเมึงจะมาเป็นตายเป็นหมามันก็ต้องมาใช้หนี้กูถ้าไปตายเป็นควายมันก็ต้องมาใช้หนี้เป็นวัวเป็นควายเป็นหมาแล้วมึงต้องมาใช้หนี้กูนะเอถ้ากูตายกูจะมาใช้หนี้มึง uh แล้ Sher Fry <Haf> ว่ะเอะถึงกูยังอยู่ก <foi> <pollen S 2> ูจะใช้ลุงงอนกันรับปากคําฮะ พอต่อมาลุงงอนตายจริงๆเท่นีพอลุงงอนตายในายงอนตายเพื่อนกันตายพอตายแล้วก็เออออกจากร่างแล้วไปหาพยาโยมพะบาลพยายมพะบาลก็เอ๊ยงอนอตะแก่มีหนี้มีศินมีอะไรไหมมีอะไรไม่แต่ต้องใช้ในายงอนโอ้ยมีแต่ผมไปยืมเงินของเพื่อนไอ้เสียวไอ้ไหวนะั่นนะผมยังไม่ได้ใช้หนี้อยู่ พญายมพบาลก็บอกเออเอาถ้าอย่างนั้นมึงไปใช้นี่ก่อนนะงอนนะแล้วโทษอย่างอื่นจะค่อยมาว่ากันให้ไปใช้นี่ก่อนไปไปหาไปใช้นี่เขาวิญญาณของในงอนเกิดกลับมากลับมาไปค้าเกิดที่ไหนก็ไม่ได้เลเข้าไปในะไปท้องควายของลุงไหวแนี่ในไหวมันพอไปเข้าไปนท้องฝวายเกิดมาเนะี่ยเป็นฝ่ายตัวผู้เท่นี่ย เออโต้ผู้อ้วนพวนสมบูรณ์น่ารักเลยคนทลายโอ้โหโควายตัวนี้น่ารักจริงๆเลยแหมจากนั้นพอมันใหญ่เป็นหนุ่มขึ้นมาเขา Surely มันก็งอนทางหลังเท่ไงแหมพองอนทางหลังไงเขาก็เรียกในไหวนี่ก็เลยเอ้ยควายตัวนี้ตั้งชื่อบอบอกักงอนเหมือนกันไงเออควายบักงอนเหมือนกันแต่นี้ควายในงอนตัวนี้ก็ขอใหญ่เป็นหนุ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นควายแสนรู้ใช่ไหมล่ะรู้จักความดีนะ เรารู้จักความเหมือนภาษาค น, นพูดอะไรรู้เรื่องไงบอกไอ้งอนมึงลงไปกินข้าวนะไอ้ลงไปกินหญ้าในกลางนานะมึงจะไปกัดต้นข้าวนะมึงกินแต่หญ้านะเข้าใจไหมกินยำกินยำตามต้นคันนานะั่นนะมึงอย่าไปกัดต้นข้าวนะปล่อยลงไปนะมันก็จะไปหากินแต่หญ้าแล้วก็ใกล้ใก้เที่ยงมึงร้อนขึ้นกลับขึ้นมานอนนะมันก็กลับขึ้นมานอน พอตอนเย็นตอนบ่ายมึงไปหากินอีกไปตอนค่ำๆชักบ่ายส4ี่โมงมึงกลับมาไถนานะไอ้ควายบกงอนตนั้นมันก็ทำหน้าที่เป็นควายแสนรู้นะมันก ร, กระเดืองเรื่องลือไปว่าไอ้ควายบักงอนนะนะ่น่ะอยู่กับคนน่นนะ่แต่นลูกชายของนายงอนลูกสาวลูกชายของนายงอนได้ยินไม่พอใจเเอ๊ะทำยังไง ลุงแหวงเนี่ยมันตั้งชื่อพ่อของเราเป็นควายเนี่ยไอ้งอนเนี่ยเนีมันมันเป็นยังไงทําอย่างนี้มันดูถูกกันชัดๆนี่วะมาลูกสาวลูกชายลูกสาวของเอ่ยในงอนเน่ยทีนี้เขาก็เลยไปฟ้องศาลผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฟผู้ใหญ่บ้า น, ผ, านผู้ใหญ่บ้านก็รับฟ้องฮะพอโอ้ผู้ใหญ่บ้านไม่มีอํานาจคอหรอกต้องขึ้นศาลกำนันไปไปศาลกํานันไปศาลกํานันคือศาลสูงสุดในสมัยนั้นนะ แค่พอส่งสืงอสารกำนันกำนันก็เรียกทั้งลุงแหวงมาทั้งลูกชายของอลุงงอนมาด้วยกันพอมากันเลยมาถามมันเรื่องราวมันเป็นยังไงเออทางลูกของนายงอนเนี่ยก็บอกว่านี่นะลุงแหวงเนี่ยตั้งชื่อของพ่อของผมเป็นควายฮะเออชื่อว่าไอ้งอนไอ้งอนเนี่ยมันจะเทือนใจผมอย่างมากเลยนะถึงพ่อผมจะทุกข์ยากยังไงก็เถอะนะพราอไม่น่าจะตั้งชื่อพ่อของผม ชื่อว่านายงอนเนี่ยบักควายบักงอนเนี่ยผมได้ยินแล้วผมสะเทือนใจได้ยินไปที่หนึ่งอายไปที่นั่นเพราะว่าลุงแหวงเนี่ยเออเอาชื่อพ่อของผมมาเป็นควายฮะเอ่อทีนี้กําลังกระถามอ้าวลุงแหวงเออลุงไหวทําไมถึงตั้งชื่อพ่อของเขามาเป็นควายของตัวเองเออความเป็นมาเนี่นะในงอนเนี่ยมันเป็นหนี้ผมสิบสองบาท ผมก็ให้มันดีๆแต่มันมันก็ว่ามันจะใช้แต่ต่อมามันไม่ใช้พรมันไม่ใช้มันบอกว่าถึงกูจะเป็นอะไรก็ตามกูจะมาใช้นี่มึงฮะเออผมก็คิดว่าไอ้งอนคงจะมาใช้นี่ผมนะเออเพราะว่าเออเพราะมันเป็นนี่ผมสิบสอบาทจากนั้นมันก็มาเกิดเป็นควายพอควายเป็นค ว, ควายก็มาเขางอนอีกตัางหากงอนทักหลังอีกผมก็เลยตั้งชื่อว่าบักงอนไงควายบักงอนเออตอนนี้ต่อไปเดีผมจะเรียกให้ฟังนะ จะเรียกให้ฟังจะจะจะบอกให้ฟังมันรู้จักความจริงจริงนะไอ้ไอ้ควายไอ้งอนตัวนี้นะไอ้งอนมึงลุกขึ้นไอ้งอนก็ลุกขึ้นไปมึงเดินไปนั้นไปไอ้งอนก็เดินไปไอ้งอนกลับมาไอ้งอนก็กลับมาเอางอนนอนลงไอ้งอนก็นอนลงเนี่แหละผมใช้อะไรมันได้ทั้งหมดเลยไอ้ควายตัวนี้มันแสนรู้จริงๆนะครับ เออ ล, ลุงสวัยว่านะเออเพราะนั้นเจะให้ผมทำยังไงจะให้ผมยังไงเออเรื่องเรื่องนี่จะปรับไหมใส่โทษผมก็ยอมครับผมก็เรียกมันอย่างนี้แหละเออทางลูกนายงอนก็บอกเอ้าต้องเรียกต้องปรับไหมกันละเออจะปรับเท่าไหร่ปรับหกสลึงนะไหมนั้นเงินหกสลึงก็ไม่ใช่น้อยใช่เอาหกสลึงก็หกสลึง แต่ผมจะให้เพราะลุ ง, ลงไหวยรวยเลยเอาให้ลุงหวให้หกเฉลึงก็ให้แต่แต่ว่าให้ไปแล้วนะเอ า, เอาผมจะยอม เ, อเจ็บปรับค่าไหมใส่โทษแต่เขาเธอนะอในเมื่อผมอปรับค่าไหมไปแล้วเนี่ยผมกลับไปถึงบ้านเนี่ยผมจะต้องฆ่าไอ้งอนช้ำแหละเนื้อมัน เ, เพื่อเอาหนี้เคิน เนี่ยผมจะต้องเอาหนี้คืนเนี่ยผมจะต้องชำแลหละไอ้งอนนี่แหละนี่ยเพราะว่า เ, เพราะว่าผมเป็นหนี้ผมได้จ่ายเงินหกสนึงแล้วน่ยเนี่ยผมจะต้องอชำแหละมันเนื้อมันขายละข้าวเหนียวกลับไปถึงบ้านผมก็จะฆ่ามันแล้วน ะ, ะทางพอได้งอนได้ยินเท่านั้นแหละนด้งอนเยินอยู่นั่นซึมเลยว่าเงินน้ำตาไหลผักผักผักเลยทีนี้ใครใครก็เห็นเทีนี้ เอ้ข้าในแ น, แ น, น่แต่มงอนเมืองเหรออาจาเออพอในสุดทางลูกชายลูกสาวนี่ไม่มั่นใจมากเกันค่ะอาจจะเป็นวิญญาณของอพ่อมาเกิดก็ได้ก็เลยบอกว่าลุงไหวครับผมขอซื้อตะควายตัวนี้นะเออมึงจะซื้อเท่าไหร่เออเท่าไหร่ลุงขายลุงแหวงจะขายเท่าไหร่เออขายเท่าไหร่กันนะนี่ของมึงนะพ่อของมึงยืมไปนะสิบสอบาทควายตัวนี้กูจะขายให้มึงอีกหกสลึง ก็เป็นอันว่า13บาท50สตางค์ก็แล้วกันนะยอ ม, มยอมครับโผลนิสูตรทั้งลูกสาวลูกชายของนายงอนก็เลยเอาเงินมาไถ่เออเอาปแายตอนนั้นไปนเลี้ยงอย่างดีนะ่โผลนิสูตรก็เลยเรื่องก็เลยจบกัน น, ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าถ้าใครเป็นหนี้ใครน ะ, ะให้ใช้เสนาทหาบรบอม่อยไส้นะ ไปเป็นควายเขาคักๆกวนเราไปบอเป็นควายกับเป็นหมาเขาเราไปเฝ้าบ้านให้เขาเป็นแมวเฝ้าเพื่อนให้เขาเพราะนั้นพี่น้องลูกหลานทุกคนนะครูบาอาจารยนะ์สอนเด็กนักเรียนนะเพราะว่าครูบาอาจารยนะ์เนี่ยต้องเล่านิทานสอนเด็กนักเรียนให้เป็นแนวความรู้แนวความคิดให้กับลูกกับหลาน เ, เพราะว่าทรัพยากรของเราทุกวันนี้ มันแข็งเกล้าขึ้นไปเรื่อยๆไม่รู้จักจริยธรรมนะลูกหลานของพวกเราเพราะขาดคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเพราะนั้นลูกหลานครูบาอาจารย์ต้องสอนลูกสอนหลานไนดะ้เอาตอนนี้ไปรับพรทีเนี่